ที่ปฏิบัตินั้นสามเดือนมีพระสงยี่สิบสามลูกและโยมห้าคนด้วยกันกับตัวของผมนึตัวของอาจามานี่เองโยมเป็นเพื่อนกันสนิทมีนา้าห้อยก็มุกคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมะด้วยกันแต่รู้ไม่เหมือนกันเพราะตัวของผมนึกตัวของอาจยมานี่ในขณะนั้นเป็นโยมแต่ไม่ได้ทำอย่างที่เพื่อนๆพื่ทําจริง ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุณไขทั้งหมดเลยเราจะได้พูดไปคุยกันมันไม่ได้เรื่องแม่ห้อยพรมุกเมี่ยอยากไปเยี่ยมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วก็หายตัวไปสักเราออกไปเดินจนกมกลมหรือไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ที่อื่นสักเมื่อเข้ามาพบหน้าพบตากันมันคุยกันคุยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเฒ่าจนแก่จนตายไม่เคยรู้ว่าความคุยนั้นควมพูดกันนั้น มันเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เรากลับเข้ามามองตัวเราไม่ให้เราเข้ามามองจิตใจเรามันเลยไปมองคนนั้นมองคนนี้นี่มันเป็นอยางงั้นเพราะั้นพวกเราวันนี้ามาตั้งต้นรองการเดินทางของพวกเราพูดกันจริงๆและก็ทำกันจริงๆเพราะมีโรูบาอาจารย์หลายท่านจะมาให้ข้อคิดมาประคบประคองเรื่องการปฏิบัติ ให้รู e ink, ้แจ anyway, ้งเห็นจริงรู use, ้จรเห็นจริงตามความเป็นจริงความรู้นั้นมีอยู่สี่ระดับด้วยกันรู้จำรู้จักอันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ของเรารู้จำมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือตำรับตำลาอันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ของเรารู้เท่าใดแก้ทุกข์ไม่ได้เดียวว่ารู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนันรู้น้อยก็ตามแก้ปัญหาตัวเองได้จริงเรื่องนี้ การปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกนั้นไม่ยากในตำนานพูดเอาไว้มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรมสันเอกแต่ตัวของผมหรือตัวของตมาไม่ได้เรียนนักธรรมสันติไปอ่านเจอเอาอยู่ในธรรมวิจารณ์ธรรมวิจารณ์เป็นหนังสือคู่มือหลักสูตรนักธรรมสันอกว่าผู้จเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปี อางตาจิตเดือนอย่างเร็วหนงวันถึงเจ็วันเรือสิบห้าวันอันนีงสองนั้นสองประการมุ่งจะได้เป็นพระอารหันในปัจจุบันพบนี้ถ้าไม่ได้เป็นพระอารหันในปัจจุบันพบนี้สองเป็นพระอนาคามีว่าอย่างแต่เราไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลยเราจะมาแก้ปัญหาล้วนไม่มีขุดเพื่นักก่อแล้วที่ได้ให้ขอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวันนี้ก็เห็นว่า พอเหมาะพอดีกับพวกเราที่จะมาปรฤติปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจลงทำกันจริงๆผลของมันนั้นจะได้รับเท่าที่ผู้มีศรัทธาร่าหารหรือผู้ที่มีศรัทธาพอสมควรหรือที่สุดมากับเพื่อนใสวยๆก็มีจะได้รับเท่าที่เราทํานั่นแหละเมื่อได้ฟังการปลุกจิตปลุกใจก็ต้องตั้งจิตตั้งใจแข้งแขรงแท้งเวลากันให้เราตั้งใจทุกคน ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันถ้าจังใจทาแล้วจะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำเมื่อเกิดคนคิดต่างๆขึ้นมาครูบาอาจารย์ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในความคิดนั้นที่ได้ให้ข้อคิดวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะสมแก่เวลายึดควรอยเพียงแค่นี้ใครมีอะไรก็พูดไปด้ท่านนักศึกษาก็ต้ตอนทั้งใจฟัง ฟังการพูดการคุยในวันนี้ซึ่งอาตมาจะได้เล่าความจริงใจที่เคยประสบแือเคยทำมาให้พวกเพื่อนภิกษุและสมัเมงท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ยี่สิบสองมกราคม สองพันห้าร้อยยี่สิบหกตัวของผมเองหรือตัวของสมาเองเคยได้ทำบุญได้รักษาศีลเคยทำกรรมฐานมาเป็นเวลาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีมาถึงอายุสี่สิบกปียังไม่มีความเสื่อมั่นในตัวเอง ว่าตัวเองไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแก่เพียงเข้าใจว่านิดามาดาเราเกิดมาก็ต้องเป็นสาพุทธตัวของเราเองเกิดมาก็ต้องเป็นสาพุทธเข้าใจแต่เพียงว่าทาบุญรักษาศีลทกากรรมฐานานันหารูไ้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอย่างแท้จริง ไม่ทราบซึ้งในหัวใจของตัวเองวันนี้จึงจะได้เอาเรื่องควงจริงมาพูดสู่กนฟังการทำบุญการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั้นถึงจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีผู้ทําอย่างนี้เช่นเราเรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐานขอเช่นเดียวกัน เราให้ซื้อมันเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าวิปัสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอย่างแท้จริงไม่รู้สสำหรับตัวของผมหรือตัวหอธรรมาไม่รู้จริงๆต่อมาเมื่ออายุสี่สิบมกปีได้เจริญสติอย่างที่ไม่เคยมีไม่เคยรู้มาวิธีตรงนี้ ที่ไปทมทีแรกครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาตายหายใจเข้าก็ให้ภาวนาว่าตายหายใจออกก็ให้ภาวนาว่าตายทาอยู่อย่างนั้นประมาณจากห้านาทีด้วยสิบนาทีย่างมากมันมีความเตรยียดค้านมันไม่พอใจเพราะว่าทามาแล้วเรื่องนี้แต่ถึงไม่ได้ว่า ตายก็ตามแต่พุตโธอลาหังของนุกหรืออาณาปณะติมันเป็นคำเดียวกันเนื่องจากการบริกรรมดูลมหายใจเท่านั้นพอาะดื้อไปนั้นจะมากดหรือข่มก็เลยไม่อยากทำเรื่องนั้นจะมาทํำวิธีการเคลื่อนไหววิธีการเคลื่อนไหวหนอกมีความเกรดขานอีกเหมือนกัน นอนแล้วทำทำแล้วนอนมันมีโวไม่พอใจในวันนั้นที่ไปขอกรรมฐ า, านจากหลวงพ่อวันทองคือหลวงพ่อวันทองเป็นผู้ให้กรรมฐ า, านมันมีโคมันขึ้นคูแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ขึ้นคูแล้วทำไม่ได้ตอนนั้นก็เลยนอนพอดีทำไปก็เลยนอนไม่พอใจนึกในใจขึ้นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำจะทำอะไรไม่ทราบ พอดีนอนตื่นประมาณตีสามหรือตีสองนี่นะเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยทำทำจริงๆเราจะทำจริงๆทำเพื่อความรู้แจ้งไม่ไม่ตั้งจิตตั้งใจเหมือนเดิมนะแต่ก่อนนั้นคืออยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากเป็นผู้มีซื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆมันคิดอย่างนั้นตั้ตั้งตัวขึ้นมาคราวนี้ ไม่เระือคือไม่กระตาอไม่ต้องการเบรคอะไรคือไม่ต้องการอยากมีเส้ยงมีเสียงอะไรทั้งนั้นอยากรู้อยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไรอยากรู้ตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาตั้งควาคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะทาอย่างนี้ ถ้าไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นไม่เอาคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงแต่มันคิดในใจไว้อย่างนั้นทําเดินจงกรมนั่งนั่งสะเทียรการเคลื่อนไหวบ้างทําไปจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยวันนั้นทําทั้งวัน ใดก็ตามให้มีความรู้สึกควาตื่นตัวอยู่เสมอวันนั้นแหละวันที่สองเนี่ยประมาณตีห้ามีแมงป่องตัวลุกตกเสียขาสมัยนั้นลุงกลางเกงขาสั้นในขณะที่แมงปองตกลงมาแมงป่องนั้นมีเม็ดเป็นมันมีลูกตกลงขามันก็เลยวิ่งตามขาเลยแม่มันก็นั่งอยู่ที่เดิม เมื่อแมงป่องปกลงใส่ขาแล้วคิดขึ้นมารู้เลยรู้ในขณนะนั้นเนี่ยรู้จริงจริงรู้ตัวเองจริงจริงก็ไม่มีความสงสัยว่าพระพเจ้าสอนเรื่องนี้จริงเข้าใจอย่างนั้นรู้มาจนหมดรู้ตัวเองเรื่องทุกส ม, มุทัยในรถมรกคเนี่ยรู้จริงจริงเรื่องรูปเรื่องนาำเนี่ยรู้จริงจริงเรื่องสมมุติ แม้จะสมมติอย่างไรก็รู้กระทั่งถึงว่าศาสนาและพุทธศาสนารู้ในขณะนั้นจริงๆบาปุนนรกสวรรค์รู้วันนั้นพอได้รู้วันนั้นแล้วมันคิดสมเพศสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นใครก็ตามถือศาสนาไหนลุ่งผ้าสีอะไรก็ตามมันคิดไป อวมโลกไปทั้งหมดทุกคนต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้อัน น, นไม่ไม่ถูกต้องมันก็มีความประกันตัวขึ้นมาในจิตใจของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นมันคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้พระพุทธเจ้าโบนมานี่เองบอกว่าการรู้การเห็นการเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าหากเป็นพระพุทธเจ้ามารุมาพูดอย่างนี้ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรารู้จริง ไม่ได้เอาความรู้อันนี้มได้มาจากใครที่ไหนไม่เอาเราจะเอาความรู้อันนี้แหละมาไปเผยแพร่ให้เพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษ า, ษาษจะถือศาสนาไหนก็ตามต้องรู้แต่ขอรู้ให้เข้าใจว่าพูดภาษาการรู้เรื่องและปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มันเกิดความสนุกอย่างนี้ขึ้นมาพอดีมันเกิดขึ้นมานี่น้าตามันไหลามาเลย เพราะว่ามันมีความสงสารมึรเมตตาเพื่อนฝูงที่เกิดแลว้วก็แก่แลว้วก็เจ็บแลว้วก็ตายโมนเลย อ, อยู่อย่างนี้จนตกเย็นมันมันเกิดความรู้อันนี้มากความรู้อันที่เกิดขึ้นมานั้นมันรู้ไปนอกตัวแบบ น, นี้รู้เรื่องดินฟ้าอากาศรู้ไปต้นไม้ภูเขาต้นน้องคลองเมือง นำทานตามที่ไหนก็ตามเนี่ยแม่น้ําที่ไหนก็ตามมันรู้ไปอันนั้นมันรู้ออกนอกตัวรู้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่จะควรแก้จะ่มันแก้ไม่เป็นเพราะไม่มีใครจะมาให้ข้อคิดอะไรต่างๆนี่โม่พ่อบรรทมมาพูดให้ฟังตอนเ้านั้นท่านว่าสมนําหน้ามันรู้เรื่องนอกแนวท่านว่าอย่างนั้น มันไม่รู้ตามครูตามอาจารย์มันสมนําหน้าจท่านครูท่านเยียดหยามอย่างไรไม่ทราบก็เลยคิดถึงหลกพวันทองนี่เป็นครูสอนเราจริงจริงทำไมมาพูดอย่างนี้ให้เราเหลวงพ่อวันพองคงจะไม่รู้ด้วยเรามันคิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็เฉยไปตกเย็นไปอาบน้ํามาอาบน้ำํำนี่มันบม เดินไปเดินมาไม่เคยรู้อวาคิดของตัวเองเลยตอนนี้คล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เลยรูปครั้งที่หนึ่งเนี่ยใครมาผักข้างเราซอกหาคนไม่เห็นเดี่ยวมองมองดูคนไม่เห็นเดินไปอีกไม่นานมันคิดรูปขึ้นมาค่ายค่าคือมีคนมาผักตรงข้างเบื้องมืงมหนี่ง รั้งที่สองนี่อย่างไม่ซึ้งใจรั้งที่สามนี่เกิดความรู้มั่นใจขึ้นมามเน่เจ้าตัวผวมคิดมาอยู่ที่ตรงนี้คิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยรู้ทันทีรั้งที่สามอย่างรู้รู้จริงๆไม่มีใครมาแนะนาเรื่องนี้จริงๆเราสรุงใจขึ้นมาว่ า, าพระอริเจ้าตัดสะรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเราเข้าใจอย่างนี้ในขนาดเดียวกันนั้นเลยมันเข้าใจ ที่เราได้ยินได้ฟังจากบิดามารดาหรือปุยาตายายปูบาอาจารย์สอนมาว่าพระพุทธเจ้าตัดสลูเพราะการทำทางจิตทางใจและเมื่อท่านจะตัดสรูกนั้นท่านกินข้าวนางสุสดาแล้วเอาขันยุทาแต่ <c oughs> อธิษฐานแม่น้ำนั่นว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรูกเป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตาย ขายกิเลสดุจิงจิงแล้ววางพาดหรือขันใบนี้ลงไปให้มันทวนกระแสของน้าขึ้นไปถึงต้นน้ำาะ่รอย่างนี้ตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่ดุจิงิงแล้ววางพาดหรือขันใบนี้ลงไปแม่น้ำผิวน้านี่นะให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำอันนี้เราจางได้ มันเกิดสะดุดใจขึ้นมาวะ่ะอันนั้นมันเป็นคำพูดของบุคคลที่ยังไม่รู้แต่ควรจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านทวนกระแสของขมคิดทวนกระแสของจิตของใจที่มันนึกมันคิดนี่เองน้ำหมายถึงขมคิดมันไหลไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำมันทราบซึ้งจิตใจขึ้นมาเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเดินไปเดินมาไม่นานเท่าไหร่ เกิดปรากฏความรู้ขึ้นมาภายในจิตใจเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาขนต้นนะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเรื่องโทสะโมหะโลภเกิดแจมแจ้งขึ้นมาในช่วงระยะนั้นแต่ก่อนเราเข้าใจว่าโทสะโมหะโลภนี้จะทํายังไงมันไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆบัดนี้จุดความรู้ความเห็นความเข้าใจทราบซึ้ง ขึ้นมาในช่วงระยะนั้นแหละไม่เก้อเขินเลยนึกในใจตัวเองทันทีว่าน้นหนักของตัวเราเนี่มีร้อยกิโลสมมติเราไปสร้างไปติดตาช้างสร้างดูแล้วแบบนี้1้อยกิโลหายไปแล้วหกสิบกิโลแล้วแบบนี้ยังมากเราจะเหลืออยู่เพียงสี่สิบกิโล ถ้าพูดตามความจริงใจในขนาดที่กำลังเติมนั้นอย่างน้อยที่สุดมันหายไปเลยแปดสิบกิโลเขาใจอย่างนั้นจะเหลืออยู่ภายในเพียงยี่สิบกิโลน้าหนักรอยกิโลเนี่เรื่องเจ้าโทสะโมหะโลภานี่ไม่ต้องสงสัยเลยคราวนี้ที่ตรงนี้เองพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ขึ้นใหม่ๆ เรื่องนี้แหละที่เป็นน่าสนใจในคำสอนของพุทธศาสนาเราจะไปให้พุทธศาสนาช่วยเรานั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องประพฤติปฏิบัติเองจึงจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองโดยไม่เชื่อใครที่ไหนทั้งหมดเลยข่าวนี้มันมันมั่นใจมั่นใจจริงๆเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองจะเปเชื่อใครที่ไหน เพราะมันมีในคนทุกคนเรื่องนี้เป็นพวกพ่อสิ่งเหล่านี้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นจึงกล้ายืนยันว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นใครที่ไหนก็ตามจากเป็นพระสงฆ์องค์เมนก็ตามจากเป็นญาติเป็นโยมก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรถือศาสนาไหนก็ตามปฏิบัติต้องรู้ที่ไม่รู้นั้นเพราะไม่ทำจริงไม่เอาจิงเอาจังมันก็เลยไม่จริงไม่จัง ถ้ามันจริงมันจังแล้วต้องจริงขึ้นมาจริงๆเหมือนกับเม็ดข้าวถ้าเป็นข้าวมีไนจะเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามเอาไปวางที่สุ้งที่เย็นแล้วเม็ดข้าวต้องออกทุกเม็ดยกเว้นไม่ได้ถ้าเป็นข้าวไม่มีไนเรียกว่าข้าวรีบข้าวผีเอาไปเพาะไม่ได้เอาไปกินก็ไม่มีรสบ้านอาตมาหรือบ้านผมที่ว่าข้าวขี เขาไม่มีในดังนั้นคำสอนพุกประโยคเลยถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าจริงๆแล้วนับหรองว่าปฏิบัติต้องรู้สิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของศาสดาอื่นทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันเป็นของเล็กน้อยเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วคล้ายๆคือน้าสี เอาไปยอมผ้าขาวมันจะไม่กินเลยแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเป็นสีดำเอาไปยอมผ้าขาวผ้าก็ไม่ดําถ้าเป็นสีแดงเอาไปยอมผ้าขาวผ้าก็ไม่แดงจะเป็นสีอะไรก็ตามเอาไปย้อมผ้ามันจะไม่กินเนื้อผ้าจริงๆพอมาเปรียบเทียบอย่างนี้อยู่ในช่วระยะนั้นจิตใจของผมเนื้ออรตมา เรียนสองครั้งเข้าใจว่าที่นี่แหละขุมเป็นพระเดียบุคคลที่นี่แหละขุมเป็นพระเดียบุคคลมันเข้าใจซาบซึ้งจริงๆเมื่อว่าขั้นต้นของพระโสดาบันบุคคลมันคิดไปถึงที่สุดของทุกได้มันรู้จักต้นทางการเดินไปหาพระพุทธเจ้าได้จริงๆงวันนี้จึงเอาควจริงมาเล่าสู่กันฟังพวกท่านเป็นนักศึกษาและ เคยได้ยินได้ฟังมามากและคนขั้วไหนตำรักตำนามามากและเพื่อนปิกสูตรสมณีก็เคยฟังภูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านพูดแสดงธรรมฟังกันมาบ่อยๆก็คงจะเคยรู้มาและก็เคยปฏิบัติมาแต่วันนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้ก็ได้หรือเคยได้ยินได้ฟังมามากๆแล้วก็ได้ อย่างนักศึกษาก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเคยได้ยินก็ได้หรือไม่เคยได้ยินก็ได้แต อ, อย่างไงก็ตามวิธีอย่างนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆนั้นเรียวกว่าวิธีอุ ก, กิจวิธีอุ ก, กิจคือไม่ให้เผยตัวนี่เองเราต้องมีสติคอยติดตามการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถมันเลยไปตรงเอากับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เนื้อปู่ย่าตายายเคยสอนมาว่ า, าพระพุทธเจ้า <c oughs> แม้แนวให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่นี้ก็ยังไม่พอและให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย่อยขู้เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ตามท่านสอนท่านพูดให้ฟังอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนือครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้แต่มองสภาพดูแล้ว <c oughs> ไม่เคยทำตัวผู้สอนทำไม่เป็นแต่สอนคนอื่นแล้วคนอื่นจะทำเป็นได้ไหมทำเป็นได้ยากไม่เคยทำตัวผู้สอนทำไม่เป็น ไปสอนคนอื่นแล้วคนอื่นจะทําเป็นได้ไหมทําเป็นได้อย่ากดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยทําให้เป็นแล้วก็พูดให้เป็นเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยไม่ลําบากระบนอะไรคิดว่ามันต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจได้อะไรได้ตัวของเราเนี่ยคืนมาเห็นตัวของเรานี่คืนมาเข้าใจคําสอนของพระเจ้าสอนคนจริงๆ ไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาเมื่อน้องของมึงไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดดังนั้นความเป็นพระนั้นมีอยู่แล้วในคนพกคนเหมือนกับเม็ดข้าวที่มีไนถ้าเอาลงเพกะในที่สุ้มที่เย็ยนนล้ต้องงอกต้องแตกทุกเม็ดถ้าข้ามีไ น, นเลนแต่ขาไม่มีไนข้าไม่มีไนไไ น, นั้นบ้านของผมในบ้านของอาตมาที่เราข้าวี ข้าวผีเข้าไม่มีไหนกินไม่ได้ถ้ากินก็เป็นโทษดังนั้นคำสอนใดๆก็เช่นเดียวกันที่นำมาพูดนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้เพื่อจะยืนยันนับหลงวิธีปฏิบัติและคำพูดของตัวเองว่ามันไปตรงออ ก, กับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลหมายถึงบุคคลที่รู้ใครรู้ก็ได้ แต่ถ้าพูเจตน์นี้จะหาว่าตัวของผมหรือตัวของอาตมานี่เป็นพระพุทธเจ้าไหมอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นรู้ตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก่รู้แจ้งเห็นจริงตามควรเป็นจริงในหลักพุทธศาสนาไม่ใช่เรไปให้ทานแต่รักษาสิงทํากรรมฐาน แบบนั้นแบบนี้แล้วพุทธศาสนาไปช่วยเราอย่างนั้นไม่ถูกต้องจะาถูกต้องแต่สำหรับบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้บุคคลที่รู้แล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมันจึงจะเป็นการทำตามเึ่นให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานนั้นมันมีมาก่อน นี้มาก่อนพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเคยบวชเคยเรียนและนักศึกษาเคยอ่านหนังสือตำรับตำลาเมื่อเจ้าสายสิสะกุมารเนี่ยบวชไปแล้วไปศึกษากับอาจารย์ซื่ออาลาดาบทพุทธภาดาบทสองอาจารย์นั้ น, นได้สมาบัติ8เข้าสารออกสารได้คล่องแพร่ว้องไว เหมือน ก, นกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสน า, าพรามศาสน า, าพราหมนั้นเรียกว่าศาสนาหินดูมันมีมาอยู่อย่างนั้นตลอดมาดังนั้นพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือก็เป็นตระกูลของพรามหรือศาสน า, าพรามนั้นมาเมื่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ทุกตัวเองได้ อันไหนตอนนี้แหละที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคําว่าพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ในเราคือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบนั่นแหละคําว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบมนันก็คล้ายๆ ค, ค, คือสีวิตสีวิตของทุกคนนั่นแหละมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้ว ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายมันมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคนเราจึงมันไม่ตายเร็วเพราะอันซีวิตหรือจิตใจสะาดสวางสงบนี่เองถ้าซีวิตหรืจิตใจสปกปกตลอดเวลามาคนเราจะตายทันที <c oughs> เพราะมันมีความทุกข์มันมีความเดือดร้อนมันจึงสุกตกความสปกปก เป็นมุนเทนหรือเป็นอะไรที่เราพูดกันมานั้นเมันมากดังนั้นคําว่าสะอาดนี้คือไม่มีอะไรจีไป๋เปะเลื่อนมันได้ถึงมันจะโกรธขึ้นมามันก็ไม่ได้สปกปรกคว่ำสกปรกนั่น ม, นมันเป็นฝ้าบาังจากสุกหรือเมฆบางลงตาเราไม่เรามองเห็นทองฟ้าได้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากผู้ใดสนใจในวิธีนี้หรือปฏิบัติเข้าไปหาพระพระ เ, เจ้านั้น ไม่อยากรับรองตัวของข้าพเจ้าหรือตัวของผมเนี่ยเคยรับรองบ่อยๆไปที่ไหนเคยยืนยันเอาไว้ว่าถ้าเจริญสติแบบนี้แหละอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างปางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเ0้าสิบวันอานนี้สงไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอานนี้สงของการเจริญสติแบบนี้ <c oughs> มันจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวจริงๆเนี่ยคาภาษาบ้านของพื้นบ้านของเราลืมตัวทางปัมมะดว่โมหะเข้าครอบงำจิตใจเข้าครอบงำชีวิตดว่าโมหะบาลีภาษาพื้นบ้านของเราลืมตัวไม่ตื่นตัวตื่นใจเอาตัวไปที่ไหนห้อจิตใจไปที่ไหนไม่รู้ อันนี้แหลมหน่าสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นโนซาตไหมภาษาใดก็ตามปล่อยตัวปล่อยใจไปบางคนอายุถึงแปดสิบปีหรือร้อยปีตายไปเลยไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองเลยมันคิดเรื่องอะไรไม่รู้เข้าไปในคนคิดนั้นก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทว่าอย่างนั้น เพระอวิชชาดิเองคำว่าอวิชาเปรตคนมไม่รู้แต่ไม่ใย่อย่างนั้นคืออวิชชาเป็นคนรู้ที่ผิดไม่เคยดูจิตดูใจนี่เองอวิชชาหมายถึงบุคคลที่ไม่รู้ชีวิตไม่รู้จิตใจแต่การทํามาหากินเรียนหนังสือหาเงินนั้นมันเป็นเรื่องวิชาของโลกโลกหรือใครใครเขาทำได้ดังนั้นที่พูดในวันนี้พูดด้่ยความจริงใจว่า เรามาปฏิบัติธรรมส่วระยะเวลาสองสามวันที่นี้กุ้นศึกษาปฏิบัติธรรมหรือเพื่อนญาติธรรมโมนิธิต่างๆหรือใครที่ไหนก็ตามม <c oughs> ีควคิดว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายควเม้วงผิดรับรองว่าถ้าทำจริงๆแล้วไม่นานเคยเสอญมาแล้วรื่องนี้ ยังรับรองคําพูดของตัวเองได้วัดรองพระพุทธเจ้าได้พระพุทธสอนด้ยวยนี้จริงจริงนัองร้อยเปอร์เซ็นไม่ผ่าจะเป็นจนซาตไหม่ถือศาสนาใดก็ตามเป็นคนรวยก็ตามเป็นคนจนก็ตามเรียนหนังสือได้ปริยายเอกหลายแดงก็ตามรู้เขียนหนังสือไม่เป็นก็ตามปฏิบัติต้องรู้ถ้าปฏิบัติจริงนะ ถ้าไม่จริงก็รู้ไม่จริง